อย่าสำคัญมั่นหมายกับความรู้ในจิตเราแยกไม่ได้ว่าความรู้ในจิตเป็นการปรุงแต่งหรือเปล่าเพราะมันเป็นอันเดียวกันบางทีเราก็รู้ผิดบางทีเราก็รู้ถูกแม้แต่รู้ธรรมะเป็นข้อความก็เหมือนกันบางทีเรารู้ผิดบางทีเรารู้ถูกเพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านจึงเตือนว่า อย่าไปถือสำคัญกับความรู้และความเห็นความรู้ก็ดีความเห็นก็ดีมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นอย่าไปสำคัญมั่นหมายว่ามันผิดหรือถูกทีนี้ตรงที่มันผิดหรือถูกนี่มันอยู่ที่ความตั้งใจของเราที่เราตั้งใจไว้ว่าเราปฏิบัติเพื่ออะไรเราสร้างสมาธิเพื่ออะไรเพื่อให้ใจเข้มแข็ง ให้มีสติสัมปชัญญะเราจะได้ตั้งใจละสิ่งที่มันเป็นบาปโดยเจตนาให้เด็ดขาดลงไปส่วนความรู้ในจิตในใจนั่นมันเป็นแต่เพียงอารมณ์จิตเท่านั้นแต่รู้ผิดรู้ถูกอย่าไปสำคัญมั่นหมาย